บทที่9บทพยากรการกำเนิดรัฐไทยใหม่สภาวการของรัฐไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในกระแสระบอบทุนนิยมโลกโดยสภาพการแห่งภาวะวิสัยได้ทําให้รัฐไทยอ่อนแอไม่อาจจะแข่งขันในโลกเสรีทางการค้าที่มีภาวะการความขัดแย้งทางการค้าอย่างรุนแรงเสมอด้วยสงครามได้โดยเฉพาะปลั่ญาแนวคิดหลักของระบอบอมาาาัมมัดยาธิเไตย ที่เน้นให้ราชการเป็นใหญ่นั้นวงต่อบสนองราชสำนักเป็นหลกักจึงเกิดกระบวนการสร้างกฎระเบียบของสังคมที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของราชสำนักและปิดกั้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจากความต้าาองการของประชาชนแม้รัฐบาลที่มาจากการอุ้มสมของราชสำนัก เขาไม่อาจจะก้าวผ่านกรอบความซับซ้อนของกฎระเบียบราชการนั้นได้โดยเพราะเจตนาที่แท้จริงของราชสำนักที่ไม่อาจจะปิดบังได้ต่อไปแล้วก็คือไม่ต้องการให้สถาบันพักการเมืองเข้มแข็งและไม่ต้องการให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองหลักในการบริหารประเทศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีโดยเพราะราชสำนักได้มีบทสรุปทางประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้วว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยมนี้ได้สา่ดันให้เกิดสังคมเมืองแห่งยุควัฒนธรรมอุสหกรรมที่ประชาชนจะเรียกร้องการมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่เฉพาะแต่ทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเรียกร้องที่จะก้าวเข้าสู่สิทธิแห่งการเฉลี่ยสุขในสังคมที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการอีกด้วย ระบบรัดตัดิการนั้นจะต้องเปิดเสรีให้ผู้ที่เข้มแข็งในสังคมขยายการผลิตและจะต้องเร่งสร้างระบบก า, การจัดเก็บภาษีที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะภาษีที่ดินและภาษีมรดกมากกว่าที่จะหลอกลวงประชาชนด้วยบัตรยาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะต้องสร้างระบบกฎหมายภาษีที่เข้มแข็งซึ่งจําเป็นจะต้องเล็ดรอนความสุขที่เกินปกติที่ราชสําสนากาลังเสริมสูขกันอยู่ในขณะนี้ โดยการเก็บภาษีที่ดินและเก็บภาษีมอดดบของราชสำนักอย่างเสมอภาคกับมหาเศรษฐีคนอื่นๆเพื่อนําไปเฉลี่ยสุขให้แก่ประชาชนผู้ทุกยากแทนการเรียกร้องให้ทําบุญและเอาสวรรค์วิมานมาเป็นเครื่องลอ่อการก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะสร้างสรรค์สุขในการอยู่ร่วมกันของชาติไทยย่อมจะต้องกระทบถึงฐานอานาจทางทับศิลป์ของราชสำนักในฐานะเจ้าที่ดินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใ น, านาฐานะกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกในปี2551และที่สําคัญที่สุดสังคมที่พัฒนาแล้วและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีสถาบันถ้ามหรวิดําราางอยู่เลยหรือดํารงอยู่ก็เป็นเพียงสถาบันเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นความเป็นจริงนี้เอง ที่เกินใจรัฐสัมนักมายาวนานดังนั้นการสกัดกั้นความเจริญเติบโ ต, ต, ตทางเศรษฐกิจของรัฐไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงถูกสกัดกั้นด้วยการใช้วัฒนธรรมหลอกลวม ก, กล่องกล่าวว่าความทุกข์ยากของประชาชนนั้นเป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่ชาติมา ก, ก่รไม่ใช่เกิดจากระบอบ ก, การเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมสิ่งสําคัญสิ่งเดียวที่รัฐไทย กาลีดนิยมจะไม่ยอมให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองคือความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลของประชาชนซึ่งจะก้าวซึ่ง้นจะก้าวมากับความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและระบบ ก, การเมืองประชาธิปไตยกร ะ, ะบวนกา ร, ก, รกัดกตัง้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเมืองจึงเกิดขึ้นทุกรูปแบบไม่ว่าจะบีบคั้นให้ประชาชนถอยหลังเข้าบ้านและเก็บตัวเองไว้ในท้องนาด้วยปญญัจจัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้จำนวนต่อชีวิตรวมตลอดถึงการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยตัวเองเพื่อทำลายความเข้มแข็งของรัฐบาลประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารโทศวัตที่กระแสะโลกาภิวัตนได้ แ, แสดงบทบาทเป็นด้านหลักของระเบียบโลกใหม่ภาวะการทางการเมืองที่ปรากฏโฉมในช่วงปี2548ถึง2551ได้เปิดโปงให้เห็นถึงเจจึงเจตนารม ของราชสำนักอย่างชัดเจนภายใต้ความแปลกประหลาดพันธกิจของการกระทําที่เยืยกฎหมายและระเบียบโลกใหม่ด้วยการเรยึดําเนียบรั ฐ, รฐบาลและเยึดสนามบินโดยไม่ผิดกฎหมายที่ผู้กระ ท, ทําผิดเรียกฐานตัวเองอย่างไพเราะว่าปรากฏการณ์สนธิหนุนเอ็กเฟลมฟินาสุ ร, รานนท์ประธานองค ม, มนตรีและบรรดาองค ม, มนตรีทั้งหลายในฐานะคนใกล้คิดพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการกฎหมายห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่กล่าวมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อทําลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่การโหมโจมตีด้วยคาพูดประสานงานกับกองทัพกองกําลังทหารตำรวจรัฐาบาลตุลาการเพื่อใช้กําลังและกฎหมายคนล้มรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่โค่นล้มแล้วโค่นล้มอีล้มสามรัฐบาลประชาธิปไตยติดต่อกันการกระทําดังกล่าวได้เข้าสู่เขตอันตรายอย่างยิ่ง ด้วยการดึงขาบันตุลาการในานามตุลาการที่วัดเข้าร่วมการรัฐประหารด้วยทั้งนี้เพราะขาบันศาลเป็นเพียงขาบันเดียวในสามอำ น, นาจอุทธรณที่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์และไม่มีจุดยึดโยงกับประชาชนเลยยังจะเหลืออะไรอีกเล่าที่จะปิดบังว่าราชสำนักไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางวิวัฒนาการของสังคงไทย คามการเปิดเผยตัวเองเช่นนี้ในกระแสวิเัยทัศนจโลกความทุกข์ยากอดอยากของประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นและจะยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตจึงนม้อาจจะปฏิเศษได้ว่าปฐมเหตุแห่งความทุกข์ยากนั้นมาจากระบบกากรปกครองที่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหมายนี้เองไม่เพียงแต่ปัญญาชนคนเมืองเท่านั้น ที่มองเห็นปัญหาที่เป็นก้อนตอแต่ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีการรับรู้สัจธรรมนี้ได้ขยายตัวสู่มวลชนคนราชาทั้งในชนบทและป่าเขาและสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดเลยก็คือกระแสะแห่งสัจธรรมได้ซัดลงลึกเข้าไปสู่กองกำลังผู้ถืออาวุธของราชสานักเองแล้วความเข้มแข็งแห่งราไทย ปัจจุบันจุดสัญญาณลงกาที่มีเสาหลาักเพียงเสาเดียวที่ประชาชนส่วนหนึ่งยังสักดิสถทธาในภาพถ่ายคุงงามความดีที่มีสองชาชนที่ทําการโฆษณามายาวนานกว่าหกสิบปีและด้วยความชานฉลาดของการกา ร, ระทําด้วยรูปแบบที่นิ่งเฉยหรือการกล่าวแนะนําในที่สาธารณนะซึ่งผู้คนทั่วไปไม่สามารถจะรู้ได้ว่าท่านต้องการอะไรเห็นด้วยกับใครแต่กลุ่ได้อย่างเดียวว่า พละกรสดำหลันั้นเป็นภาษาของเทพเจ้าที่ต้องเคารพและไม่ทุ้มจริงด้วยเห็นนี้จึงเกิดความปัน่นป่วนเพราะกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมต่างนำไปใช้โดยตีความเข้าข้างผลประโยชน์ของตนเอง ภาวะเช่นนี้ดูเหมือนบ้านเมืองจะมั่นคงแต่หากมองด้วยสายตาแห่งทัศนวิทยาศาสตร์สังคมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวแต่แก่นแท้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ปฏิเสธอำนาจของประชาชนและเป็นความขัดแย้งที่รอวันระเบิดดังนั้นความคูุ่่นของการเมืองวันนี้จึงสรุปได้ชัดเจนว่า เป็นวิกฤตของการเมืองไฟล์และราชะการและเป็นวิกฤตของระบบอำนาจสัญญาที่ไต่ที่ยึดยงอยู่กับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่สัญญาณแห่งการปรับเปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาศาสตร์สังคมได้ดังขึ้นอย่างเร่งร้ากระบวนการประชาชนองค์กรมวลชนต่างๆจะเริ่มปรับทิศทางที่เห็นเป็นความขัดแย้งในหมู่ประชาชนนั้น เป็นเพียงรูปแบบเปลือกกระเทาะเปลือกกะพี้ที่ไม่มีแก่นสารแต่เนื้อหาที่เป็นความทุกข์ยากของประชาชนที่ที่เป็นจริงคือความขัดแย้งของประชาชนที่เผชิญหน้ากับราชสำนะักบททยากร น, นี้จะเป็นจัดทำต่อการกําเนิดรัฐภัยใหม่อย่างแน่นอนในระยะเวลาไี่เกิน 2,555 การเปลี่ยนแปลงทางปริมาณจะขึ้นสู่กระแสสูงเพื่อก้าวสู่คุณภาพใหม่ แต่การทำนายที่ท้าทายนี้มีเพียงประเด็นเดียวที่ไม่อยากจะกำหนดได้คือจะเกิดขึ้นด้วยแรงระเบิดอย่างรุนแรงหรือกรมีกรนอมผู้ปกครองจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข ท, ที่ใช่ประชาชน